จเจินพรท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่สี่มกราคมพุทธศักราช5 5 2เป็นวันสุดท้ายของวันหยุดเทศกาลสมทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก่อนที่ญาติโยมจะกลับไป ทำงานทำการเพราะมีความจำเป็นที่จะต้องดารงเลี้ยงชีพก็ได้มาวัดกันเพื่อจะได้มาสร้างบุญสร้างกุศลที่พระพุทธเจ้าได้ ส, งส่งสั่งสอนให้สร้างกันเพราะเรามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอน ในพระอริยสงสาวมเชื่อว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะการปรากฏของพระพุทธศาสนาในแต่ละครั้งนั้นใช้เวลาอันยาวนานมากและการเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดได้ง่ายเช่นเดียวกัน <Yes. S 1> เมื่อเราได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> จึงเป็นการโครจรของความยากทั้งสองส่วนนี้มาเจอกัน <c oughs> และเป็นส่วนที่สำคัญต่อการพัฒนาชีวิตจิตใจ <c oughs> ต่อการ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอะไรที่จะเป็นปัจจัยที่สำคัญเท่ากับการเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาเพราะถ้าได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังไม่พอเพียงต่อการพัฒนาชีวิตจิตใจเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ เพราะถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีผู้รู้ที่จะสอนให้เราประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นนั่นเองเพราะไม่มีใครที่จะรู้ได้ด้วยตนเองนอกจากพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น เมื่อพระ อ, องค์ได้ทรงตัดสรู้ได้ประพฤติปฏิบัติจนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพราคจากสิ่งต่างๆไปแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงนำเอามาสั่งสอนเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลก พระงทรงเปรียบเหมือนคนตาดีส่วนสัตว์โลกนั้นเปรียบเหมือนคนตาบอดคนตาบอดจะไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองเพื่อจะให้ไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพต้องมีคนนำทางฉันใดสัตว์โลกที่ปรารถนาการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงยำต้องอาศัยคนตาดีเช่นพระพุทธเจ้าต้องอาศัยพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วก็ต้องอาศัยพระอริยสงสารกทั้งหลายเป็นผู้ เป็นผู้พาไปเป็นผู้นำทางต่อไปนี่แหละคือความที่เรียกว่าเป็นโชคลาภอันเปรฐของพวกเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะทั้งสองสิ่ง น, นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายอย่างง่ายดายเป็นสิ่งที่ยากเย็นมาก <c oughs> เช่นพระพุทธศาสนา ของพระพุทธเจ้าและพระแต่และพระองค์นั้นจะปรากฏขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาเป็นกับเป็นกันพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้มาแล้วในอนดีตและผ่านไปแล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้ของจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เวลาท่านเรียกว่าเป็นกับเป็นกันคำว่ากับว่ากันนี้เราไม่สามารถที่จะ ประมาณได้เลยว่ายาวนานสักเพียงไรท่านยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าทุกร้อยปีเราเอาผ้าไปรูปเขาพัสดุเมนหรือถ้าในสมัยปัจจุบันนี้เราไปรูปที่เขาหิมาลัยยอดเขาหิมาลัยทุกร้อยปีเราก็ไปรูปหนึ่งครั้งรูปไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าภูเขาจะสึกจนกระทั่งเหลือเหลือเป็นพื้นดินไปนั่นแหละเป็นเวลาหนึ่งกับหนึ่งกันคิดดูก็แล้วกันว่าขนาดเราลูบถูพื้นทุกวันทุกวันพื้นยังมันยังไม่สึกลงไปให้เราเห็นได้เลยแล้วทุกร้อยปีเรามาลูบภูเขาหิมามาลัยเพียงหนึ่งครั้ง แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะสึดล้อหายไปลาบเป็นพื้นไปได้นั่นและคือระยะเวลาระหว่างศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะเป็นอย่างนั้นเป็นเวลายาวนานมากช่วงนั้นสัตว์โลกที่มาเกิดจะเป็นมนุษย์ก็ดีหรือเป็นอะไรก็ดีจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเลยจะไม่มี โอกาสเลยที่จะนำตนให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้ยกเว้นพระโพธิสัตว์ผู้ที่มีบุญบา ร, รมีพอที่จะตัดสร้เป็นพระปเจกับพุทธเจ้าได้เท่านั้นความแตกต่างระหว่างพระปเจกพุทธเจ้ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอยู่ตรงที่ว่าหลังจากที่ได้ตัดสร้แล้ว จะประกาศพระศาสนาหรือไม่ถ้าประกาศพระศาสนาเช่นสัมมาณโคตมะของพวกเราก็จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าจะปรากฏมีพระาศาสนามีพระธรรมคาสอนมีพระอริยสงสาวกมีพระรัตนตรัยครบองค์แต่ถ้าไม่สั่งสอนไม่ประกาศพระศาสนา ก็จะเป็นพระประเจกถาพุทธเจ้าไปคือตัดสรู้จำเพาะตนเท่านั้นไม่ได้เอามาสั่งสอนผู้อื่นถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะพระรัตนตรัยก็ไม่มีไม่ครบองค์มีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเพราะทำคําสอนก็ไม่มีพระอริยสงฆ์ก็ไม่สามารถจะมีได้เพราะพระอริยสงฆ์สาวกนี้ก็เกิดจากการ ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําไปปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิ บ, บัติตรงปฏิบตัติเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถึงจะปรากฏเป็นพระอรหันตสาวก ข, ขึ้นมา ให้เป็นที่พึ่งแก่สว์โลกแทนพระพุทธเจ้าต่อไปนี่แหละคือความวิเศษความมหัศจรรย์ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระประเจ ก, กับพระพุทธเจ้านี้พวกเราจะไม่รู้กันว่ามีปรากฏขึ้นมาในโลกเพราะท่านไม่ประกาศท่านไม่สอนผู้อื่นนั่นเอง นี่คือความยากของการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหรือการเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยก็ดีต้องใช้เวลายาวนานมากกว่าจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งในช่วงเวลาที่ว่างนั้นพวกเราก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้นับไม่ถ้วนต้องทุกขทรมานกับความแก่ความเจ็บความตายกับการพลาดาดจากกันไปจนกว่า จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระรัตนตรัยอีกครั้งหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตามแต่พระธรรมก็ดีพระอริยสงสาวกุกรดีเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้ดังที่ได้ทรงตรัสไว้ว่า ธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตรัดไว้ชอบแล้วนีแหลจะเป็นศาสดาของพวกเธอแทนตถาคตต่อไปนะคือพระธรรมนี่แหละจะเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ก็เป็นผู้เผยแผ่พระธรรมให้แก่สัตว์โลกอีกต่อห น, นึ่งดังนั้นถตราบใดยังมีการเผยแผ่พระธรรมคำสอน ยังมีผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบนำทางอยู่ก็ถือว่ายังเหมือนกับมีพระพุทธเจ้าอยู่นำทางให้แก่พวกเรานี่คือความยากของการเกิดของศาสน า, ศาส่วนความยากของการเกิดของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันหลังจากที่เราตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อไหร่เนื่องจาก บุญกรรมที่เราได้ทำไว้นั้นมีมากมายถ้าเป็นกรรมก็ต้องไปใช้กรรมในอบายไม่รู้กี่พกกี่ชาติกว่าจะหมดแล้วถ้าเป็นบุญก็ต้องไปสวยบุญในในสวรรค์จนกว่าจะหมดบุญแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมี พระศาสนาปรากฏอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเท่าที่ควรนอกจากว่าได้บำเพ็ญบา ร, รมีมามากพอจนสามารถคลําทางไปเองได้แล้วเช่นผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานคือพระโสดาบันหรือพระสะกิดาคามีเป็นต้นถึงแม้จะไม่มีพระพุทธศาสนา ไม่มีพระธรรมคำสอนในโลกนี้แล้วก็ตามแต่ท่านมีพระธรรมคำสอนอยู่ในใจแล้วท่านรู้แล้วว่าการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นปฏิบัติอย่างไรจึงไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วเพราะจะ สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่เกินเจชาติสำหรับพระโสดาบันและเพียงหนึ่งชาติสำหรับพระสกิดาคามีนี่คือความเกิดของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ยากเย็ยนมากดังนั้นชาตินี้พบนี้ เป็นถือว่าเป็นภพชาติที่วิเศ ษ, เศษที่สุดต่อการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีภพไหนจะดีกว่าภพนี้แล้วอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าไปรอพระสีอานมาเพราะกว่าพระสีอานจะมานั้นก็เป็นเวลาอีกยาวนานและเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ในช่วงพระสีอ่านหรือไม่ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นสุนัขที่มาเกิดในโลกนี้แล้วมาถูกถูกถูกปล่อยมาอยู่ที่วัดนี้ก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระธรรมคําสอนนอกจากได้รับอาหารที่เหลือจากคนเท่านั้นพอเลียงปากเลี้ยงทองไปแต่จะไม่ได้รับประโยชน์จากพ่อธรรมคําสอนแต่อย่างใดเพราะ เดรัจฉานฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องการที่จะนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตสู่ใจเพื่อปลดเรื่องความทุกข์เพื่อปลดเรื่องการไปเกิดในภพชาติต่างๆนั้นจำต้องศึกษาได้ยินได้ฟังหรือได้อ่าน จนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลที่ปรารถนาก็คือมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนเพราะหลักของเหตุผลอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สามขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าปริยัติธรรม คือการศึกษาพระธรรมคำสอนด้วยการอ่านหนังสือธรรมะก็ดีด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ดีแล้วก็นำเอาไปสู่ขั้นที่สองเรียกว่าปฏิบัติตริยติธรรมแล้วก็ไปสู่ปฏิบัติติธรรมนำไปสู่การปฏิบัติทานศีบภาวนาทําบุญให้ทานเสียสละเข้าของเงินทองสิ่งของต่างๆที่ ไม่มีความจำเป็นต่อเราที่เป็ดของหรือกินเหลือใช้อย่าเก็บเอาไว้ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรานีแต่จะเป็นโทษทางด้านจิตใจเพราะจะเป็นภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษาคอยห่วงคอยห่วงคอยกังวลและคอยเสียใจเวลาที่สูญเสียสิ่งเหล่านั้นไป ต้องนำเอาไปบริจาคต้องเอาไปทาประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกแก่ผู้อื่นแล้วจิตใจจะมีความสะอาดขึ้นในระดับหนึ่งกำจัดความตณิลได้กำจัดความโลภความอยากได้สิ่ง อ, อื่นเพิ่มเติมได้ทำให้มีจิตที่เมตตากรุณาจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นทำให้สามารถปฏิบัติธรรมขั้นสูง ต่อไปได้ก็คือการรักษาสิงผู้ที่ทําบุญให้ทานอย่างเต็มที่แล้วจิตใจจะไม่ปรารถนาที่จะเบียดเบียนผู้อื่นเลยมีแต่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอไม่ว่าจะทําอะไรจะคํานึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นเสมอถ้าทําไปแล้วเดือดร้อนจะไม่ทําโดยเด็ดขาดนี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการ ให้ทานให้แล้วก็จะส่งให้เราขึ้นสูงไปสู่ขั้นสีเมื่อมีศีแล้วจิตใจก็จะสงบเย็นสบายไม่ว้าวุ่นหวาดกลัวไปกับกรรมที่ตนเองได้กระทำไว้ถ้าไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วใจของเราจะสุขจะสบายไม่วิตกไม่กังวลว่าจะถูกจองล้างจองผลาญแต่อย่างใด และเมื่อจิตใจมีความสงบก็จะช่วยทำให้การเจริญภาวนานั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายยิ่งง่ายกว่าผู้ที่ไม่มีศีลผู้ที่ไม่มีความสงบจากการไม่เบียดเบียนผู้อื่นธรรมะเป็นขั้นขั้นไปสนับสนุนกันเป็นขั้นขั้นไปจนถึงขั้นสูงสุด คือจากขั้นทานก็เข้าสู่ขั้นศีลศีลก็เข้าสู่ขั้นสมถภาวนาคือทำจิตใจให้สงบให้นิ่งไม่ให้คิดปรุงแต่งเพื่อจะได้สงบสยบอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถทำให้มันตายได้เท่านั้น พอเวลาที่สงบอยู่ในสมาธินั้นจะไม่มีความโลภความโกรธความหลงออกมาเพ่นพ่านแต่อย่างไดจิตจะเหมือนอยู่ในนิพพานเป็นนิพพานเลยในขณะนั้นเพียงแต่ว่าเป็นนิพพานชั่วคราวจะสงบได้ไม่นานพอออกจากความสงบแล้วพอเริ่มไปเห็นอะไรได้ยินอะไรไปคิดถึงเรื่องอะไรกิเลส ก, ก็จะออกมาทันที อัตตาตัวตนก็จะออกมาทันทีว่าเป็นตัวเราของเราในขณะที่อยู่ในสมาธินั้นร่างกายก็หายไปรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะก็หายไปความคิดปรุงแต่งก็หายไปเหลือแต่สักแต่ว่ารู้อยู่อย่างเดียวเหลือแต่จิตดวงเดียวเหลือแต่ใจดวงเดียวตอนนั้นไม่มีการปรุงแต่งตอนนั้นไม่มีสมมติไม่มีตัวตน ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีศัตว์ไม่มีบุคคลเนี่ยแต่พอออกจากสมาธิพอเห็นพอคิดก็เริ่มคิดไปตามความหลงทันทีคิดว่าเราเห็นเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราขึ้นมาทันทีตอนนั้นเป็นเวลาที่เราจะต้องเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาคือทุกครั้งที่เราคิดอะไรเราต้อง สอนใจให้คิดว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้มาจากธาตุสีของพ่อของแม่มาผสมกันและเมื่อจเจริญเติบโตเมื่อออกคลอดออกมาจากท้องแม่ก็อาศัยธาตุสีที่ได้มาในรูปแบบของอาหารชนิดต่างๆเช่นข้าวผักก็มาจากดินน้ำลมไฟ ถ้าไม่มีดินน้ำลมไฟข้าวกับผักจ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างไรต้องปลูกข้าวในดินต้องมีแดดคือแสงสว่างความร้อนต้องมีอากาศต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวถึงจ ะ, จะเจริญงอกงามขึ้นมาจนออกรวงแล้วเมื่อเราเอารวงข้าวนี้มาสีมาต้มรับประทานเข้าไป มันก็ไปเปลี่ยนเป็นอาการ32ในร่างกายเปลี่ยนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆนี่คือการเข้ามาสู่ร่างกายการเปลี่ยนจากมิน้ำลงไฟมาเป็นอาหารจากอาหารมาเป็นผมขนเล็บฟันเป็นตัวของเราเป็นรูปร่างคือร่างกายนี้ และอยู่ไปได้จนถึงเวลาที่เขาจะต้องแยกทางกันเขาก็แยกกันออกไปคนตายไปสิ่งที่ออกไปก็คือลมลมก็หมดไม่มีลมหายใจความร้อนก็ไม่มีระเหยออกไปร่างกายก็เย็นเฉียบปล่อยทิ้งไว้น้ำต่างๆก็จะซึมไหลออกมาจนเหลือแต่ ส่วนที่เป็นดินก็จะแห้งกรอบเช่นหนังเนื้อกระดูกก็จะแห้งกรอบไปถ้าปล่อยทิ้งไว้ต่อไปไม่นานก็จะกลายเป็นดินไปหมดนี่คือเรื่องของร่างกายเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเราตัวเราตัวเราก็คือใจผู้ที่กำลังพิจารณาผู้ที่กำลังครอบครองร่างกายนี้อยู่ อย่าไปหลงประเด็นแยกใจออกจากกายให้ได้เหมือนเราแยกวิทยุกับคลื่นวิทยุว่าเป็นคนละส่วนกันโทรทัศน์กับคลื่นโทรทัศน์เป็นคนละส่วนกันถ้าเปิดเครื่องแล้วไม่มีคลื่นก็จะไม่มีภาพปรากฏในในจอจะไม่มีเสียงปรากฏในจอต้องมีคลื่นเข้าไาในเครื่องก่อนถึงจะมีภาพถึงจะมีเสียงปรากฏขึ้นมา ฉั้นใดร่างกายนี้ถ้าไม่มีจิตไม่มีใจเข้ามาครอบครองมาเป็นเจ้าของร่างกายนี้ก็จะเป็นเหมือนซากศพไปเป็นซากศพไปถึงเวลานั้นใครจะเอาอะไรไปทำกับร่างกายร่างกายก็จะไม่รู้เรื่องจะไม่มีการตอบโต้เอาน้ำไปสาดมันก็ไม่สนุง้งเอาเข็มไปทิ่มมันก็ไม่สะดุ้ง มันจะไม่โกรธมันจะไม่โมโหจะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้แต่อย่างใดเพราะว่ามันเป็นเพลงท่าศีดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนตุ๊กาตาตัวหนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้เป็นอะไรเลยตัวที่เป็นนั่นก็คือใจตัวที่รู้ก็คือใจที่รับรู้เสียงที่กำลังฟังอยู่ขณะ น, นี้ก็ใจเป็นผู้รับรู้โดย อาศัยร่างกายเป็นสื่อเป็นเครื่องมือร่างกายนี้เป็นเหมือนกับไมโครโฟนที่รับเสียงเข้าไปแล้วส่งเข้าไปสู่ใจอีกทีหนึ่งใจก็รับรู้เสียงว่าเป็นเสียงอะไรแล้วก็แปลความหมายของเสียงนั้นตามสติปัญญาที่ได้ถูกสั่งสอนมาซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกสั่งสอนด้วยกิเลสคือความหลง ว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นสว์เป็นบุคคลว่าดีว่าชั่วเป็นตน้นแต่ไม่เคยมีใครสอนเลยว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงเห็นต่างกับสัรโลกทั้งหลายเพราะพระองค์มีปัญญามีความฉลาดไม่เชื่อในสิ่งที่ความหลงสอนพระองค์อยู่ในใจว่า เป็นตัวเราของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นกษัตริย์เป็นนายกเป็นหญิงเป็นชายนี่จะไม่ใช่เป็นความจริงเป็นสมมุติความจริงนั้นเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเหมือนกับเราจับเอาตุ๊กตาในแต่ละตัวมาสมมุติว่าเป็นเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็ให้เขาเล่นละครไป หรือเอาคนนี่แหละมาสมมุติกันเวลาที่เราจะทำภาพยนตร์หรือทำละครเราก็จ้างนักแสดงมาแสดงเป็นบทต่างๆให้เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นเป็นการสมมติทั้งสิ้นโลกเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกับโรงละครโรงใหญ่ ตัวแสดงก็เป็นตุ๊กตาที่ทำมาจากดินน้ำลงไฟก็คือร่างกายของเราพอร่างกายนี้จบหรือตายไปร่างกายก็กลับคืนสู่สภาพเดิมของเขานี่คือสิ่งที่เราควรที่จะสอนใจอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่หลงเพื่อจะได้ไม่ยึดไม่ติด เมื่อไม่ยึดไม่ติดแล้วจะได้ไม่ทุกข์นั่นเองจะปล่อยวางนอกจากร่างกายแล้วสิ่งอื่นๆก็เป็นเช่นเดียวกันร่างกายของคนอื่นก็เป็นเช่นเดียวกันร่างกายคนอื่นก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ได้เป็นของใครเป็นของดินน้ำลมไฟสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆก็ Man. ไม่ได้เป็นของใครก็เอามาจากดินน้ำลมไฟเสื้อผ้าที่เราใส่นี่มาจากอะไร ก็จากการที่เขาปลูกปลูกต้นฝ้ายแล้วก็เอาฝ้ายมาทอเป็นเนื้อผ้าหรือถ้าเป็นวัสดุปัจจุบันก็เอามาจากผลิตภัณฑ์จากน้ำมันที่เป็นพวกพลาสติก ต, ต่างๆมาผสมประสานทำให้เป็นเป็นเสื้อผ้าชนิดต่างๆขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นโลกนี้ถึงเรียกว่าโลกกธาตุอง โลกของธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้าธาตุาลมธาตุไฟมันไม่มีความวิเศษวิโสอะไรในตัวมันเองเพียงแต่ความหลงที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกนั้นไปหลอกให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่วิเศษขึ้นมาเช่นก้อนหินก้อนเพชรนี่ก็ไปไปไ ป, ไปเสกว่ามันเป็นสิ่งที่วิเศษมีคุณค่ามีราคา แต่ความจริงมันไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจแต่อย่างใดมีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเพราะเมื่อมีเพชรแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังคอยดูแลรักษาแล้วถ้าเกิดมันหายไปก็ต้องเสียออกเสียใจร้องโหมร้องไห้ใจไม่ได้รับอะไรจากเพชรเม็ดนั้นเลยได้แต่ความทุกข์ไม่มีความสุขความสบาย ไม่มีความอิ่มหนำสํารานใจไม่เหมือนกับการให้ทานเลยการให้ทานเม็ดนั้นไปได้เพชรเม็ดนั้นไปได้แล้วจะทําให้โล่งอกโล่งใจเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจอิ่มอกใจเพราะจะได้เอาเพชรนั้นไปทําประโยชน์เอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของเพื่อไปช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากขาดแคลน ใจของเราก็มีความสุขขึ้นมามีความสบายใจขึ้นมาหมดห่วงหมดทุกข์หมดกังวลกับเพชรเม็ดนั้นไปนี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะสอนใจของเราอยู่เสมอไม่ว่าใจเราจะสัมผัสกับอะไรรับรู้กับอะไรเตือนสติอยู่เสมอว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันไปหมด สักวันหนึ่งธรรมชาติเขาก็จะมาเอาคืนไปหมดร่างกายของเราเขาก็จะเอาคืนไปสามีภรรยาลูกของเราเขาก็จะเอาคืนไปสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเขาก็เอาคืนไปหมดเวลาเราไปเราก็ไปแต่ตัวเท่านั้นเองไปแต่ใจเท่านั้นเองไปกับบุญกับกรรมที่เราทำไว้ถ้าไปกับบุญ ก็จะไปดีไปสู่การหลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไปกับกรรมไปกับบาปก็จะไปสู่อบายไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไปสู่กองทุกข์อย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นนี่แหละคือเรื่องของตัวเราของใจเราและเรื่องของพระพุทธศาสนาและเรื่องของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอยู่อย่างนี้แหละ ขอให้ท่านลงนำเอาไปพินิษ์พิจารณาดูและเลือกเอาว่าจะเอาอย่างไรจะเอาตัวตนตัวเราของเราหรือจะเอาการที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเอาไม่ถ้าเอาตัวตนก็จะต้องทุกข์จะต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าเอาไม่มีตัวตนก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์จะไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอน อยู่ที่ตรงนี้นั่นเองอยู่ที่การบำเพญ็ญการปฏิบัติด้วยจุปฏิปันโนอุชุยายะสามิจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติร ต, ต, ร ต, ต, ตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวด้วยการปฏิบัติด้วยการศึกษาคือปริยัติธรรมด้วยการปฏิบัติแล้วผลก็คือปฏิเวทก็จะเป็น สิ่งที่ตามมาไม่มีใครสงวนลิขิตไม่มีใครทำให้ใครได้ทุกคนต้องทำของตนเองเพราะพพุทธเจ้าทำให้เราไม่ได้พ่อแม่ทำให้เราไม่ได้ครูบาอาจารย์ทำให้เราไม่ได้เราต้องทำให้กับตัวเราเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเป็นที่พึ่งตรงนี้เองตรงที่การปฏิบัติตรงที่การศึกษาพระธรรมคาสอน ตรงที่บรรลุธรรมอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ไขจึงขอฝากเรื่องของการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว่ายเพียงเท่านี้